Book two. 2สามชิชการทำความรู้จักน้กวสะฟะฮุนน้วัสจฟัฟะฮุนสวัสดีค่ะเซเลมซลม สวัสดีค่ะ We my <are> first We my <are> first สบายดีไหมคะ Sedušit s d u i t คุณมาจากยุโรปใช่ไหมคะ e u r o p e m Sučija e u r o p e m s u a คุณมาจากอเมริกาใช่ไหมคะอเมริกัมสุกจอเมริกัมสุกจคุณมาจากเอเชียใช่ไหมคะอารีมสุกจะอาร์ซิมสก จ, จ, สกจคุณพักอยู่โรงแรมอะไรคะดาราฮาเจชู ุูราชูุูรคุณอยู่ที่นี่นานเท่าไรแล้วคะดฟดสมิชื่อดฟดสมิชอคุณจะอยู่ที่นี่นานเท่าไรคะดฟดซระ่สชิอชตดฟดซระ สุชิเอชตคุณชอบที่นี่ไหมคะมิร์ุกเรียหะมิรุกรีกรคุณมาพักผ่อนที่นี่ใช่ไหมคะมิชรับสซฟาโกชุกอว่ามิชบฟาชุกคว่มาเยี่ยมดีฉันบ้างนะคะ z a г о р i м Садыш ш s к u, u k k a k o c h zagorim s ш d i s h о h นี่คือที่อยู่ของดิฉันค่ะ m e р si Адрес เราพบกันพรุ่งนี้ดีไหมคะ n y у s ты з e р а х e l g u s h t e t a ขอโทษนะคะพรุ่งนี้ดีฉันไม่ว่างสุกเกวเอาเน่มิจอุกเวเอานมิจอลากค่ะาจลากค่ะนค่ะ แล้วพบกันนะคะ